รู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข์รู้จักทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านก็ได้แสดงอธิบาย ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ตั้งตนแปลบทบมเทศนาของพระองค์ซึ่งเราทั้งหลายต่างก็ได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจทั้งสี่นี้มาแล้ว แต่แม้เช่นนั้นเรื่องอริยสัจทั้งสี่นี้ก็เป็นเรื่องอันสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไดตรัสว่าเป็นที่รวม แห่งธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นโดยพยัญชนะที่ตรัสนั้นยกเอาว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลละธรรมในพุทธศาสนาทั้งสิ้น ก็หมายถึงความรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่อันเป็นสมาธิินั่นเองความรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่นี่เป็นกุศลอันสำคัญ ธรรมกุศลนั่นตามสับแปล ว, ว่าความฉลาดก็คือความรู้ที่เป็นความฉลาดยอดของความรู้จะเป็นความฉลาด ก็กล่าวได้ว่าคือความรู้จักอริยสัจทั้งสี่เพราะฉะนั้นกุศลธรรมทั้งหมดจึงรวมอยู่ในอริยสัจทั้งสี่ก็คือรวมอยู่ในความรู้จักอริยสัจทั้งสี่นี้ และแม่ตัวอริสัตย์ทั้งสี่เองสรีระแห่งอริสัตย์ทั้งสี่เองก็เป็นที่รวมของธรรมะทั้งสิ้นดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนั้น เพราะฉะนั้นแม้จะฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆก็ยิ่งดีเพราะจะทำให้ได้ความรู้สาบซึ่งในอริยสัจ ท, ทั้งสี่นี้มากขึ้นจะเห็นความสำคัญของ อริสัต์ทั้งสี่นี้มากขึ้นและก็ไม่ใช่จำเพาะเป็นธรรมะเบื้องสูงเท่านั้นแต่ว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่เป็นไปอยู่ ตั้งแต่ในเบื้องต้นมีอยู่เป็นไปอยู่ทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้น เพราะเป็นสัจจะคือความจริงที่ปรากฏอยู่ที่เป็นไปอยู่ฉะนั้นในเบื้องตน้นจึงจะได้กล่าวทบทวนถึงประเทราธิบาย ซึ่งอธิบายตามพระพุทธทอธิบายนั่นเองก่อนรู้จักทุกก็คือรู้จักว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาราความแก่เป็นทุกข์ มรณะความตายเป็นทุกข์โศกะความแห้งใจบริเทวะความคร่ำครวญรนจุนใจทุกข์ <c oughs> ความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกับสัตว์และสังขารทั้งหลายสิ่งทั้งหลายอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสัตว์และสังขารทั้งหลายสิ่งทั้งหลาย อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์ก็คือรูปประขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนา สัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวินขันกองวิญญาตเป็นทุก์รู้จักทุกข์กสุทัยเหตุเกิดทุกข์ก็คือรู้จักว่าตัณหา ความอยากความริ้นรนของใจความทยานอยากอันเป็นไปเพื่อพบใหม่ ประกอบกับนันทิความเพลินราคะความติดใจยินดีมีความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆในสิ่งนั้นๆ อันได้แก่กามมาตัณหาความอยากไปในกามคืออารมณ์หรือสิ่งคือรูปเสียงกลิ่นรสผธปะภะที่น่ารักครปรารถนาพอใจทั้งหลาย วิภาวะตันหาความอยากไปในภพความเป็นนั่นเป็นนี่วิภวะตันหาความอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่รู้จักทุกข์นิโรธความดับทุกข์ ก็คือรู้จักว่าความดับตันหาสำรอกตันหาออกได้ไม่มีเหลือการสละตันหาเสียได้การสลัด ตัณหาเสียได้ความพ้นตัณหาเสียได้ความไม่อะไรเกี่ยวกาะผูกพันตัณหาได้เป็นความดับทุกข์ดูจัก ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือรู้จักมักมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบ สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวะเพียนชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบเป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้ ความรู้จักอริยสัจทั้งสี่ดังกล่าวเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงซึ่งนำให้เกิดภาษาทะคือความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว ในพระธรรมนำมาสู่สัทธธรรมคือธรรมวินัยในศาสนานี้เป็นไปเพื่อละราคาอนุสัยอนุสัยอิเลธที่นอนเนื่องจิตสันดาน คือราคะความติดใจยินดี <c oughs> บรรเทาปฏิคานุสัย <c oughs> อนุสัยคือปฏิคะความกระทบกระทั่งหุดหงิด <c oughs> ขัดเคืองโกรธแค้น <c oughs> ถอนอวิชานุสัย อนุสัยคืออวิชชาความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงและมานะทิฏฐิอนุสัยว่าเรามีเราเป็นและอวิชชา ทำวิชาให้บังเกิดขึ้นดังนี้นี่เป็นประเทยาราอธิบายที่ทันอธิบายตามประพุทธาอธิบายนั่นเองและเป็นอธิบายที่เป็นหลัก ในการอธิบายอริยสัจทั้งสีนี้จึงควรจะทำความเข้าใจสักเล็กน้อยในคำว่าอริยสัจที่ท่านให้คำแปลไว้ว่าสัจจะคือความจริง ที่ทำผู้รู้ให้เป็นอริยะคือบุคคลผู้เจริญบุคคลภูประเสริฐหรือแปลว่าสัจจะคือความจริงที่ บุคคลภูเป็นอริยะพึงรู้ดังนี้และบางทีก็แปรรวบรักว่าสัจจะคือความจริง ที่ประเสริฐอันหมายถึงที่สูงที่ละเอียดอันเป็นวิสัยที่จะพึงรู้ได้ ของปัญญาที่สูงกว่าปัญญาสามัญแต่ไม่ได้หมายความว่าสัจจะที่ประเสริฐนั้นเป็นสัจจะที่ที่ดี ที่พึงปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นเพราะว่าทุกขสัจจจความจริงคือทุกนั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครต้องการ จะกอ่อทุกข์ให้บังเกิดขึ้นสมุทัยสัจจะนัจจะคือสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์อันได้แกแต่ตัณหานั้นก็ไม่ได้ตรัสสอนหรือสั่งสอนให้ปฏิบัติอบรมตัณหาให้มีขึ้น เพราะฉะนั้นหากแปลอริยสัจจะว่าสัจจะอันประเสริฐคำว่าประเสริฐในที่นี้จึงไม่ได้หมายความว่าดีที่จะพึงปฏิบัติอบรมไปทุกอย่างแต่หมายความว่า ละเอียดที่สูงกว่าสัจจะสามัญทั่วไปอันเป็นวิสัยของภูมิปัญญาที่สูงขึ้นจะพึงรู้คือที่จะพึงรู้แจ้งเห็นจริงที่จะ ปฏิบัติในกิจของสัจจะทั้งสี่นี้ได้จริงๆเพราะว่าเมื่อว่าถึงลำพังตัวสัจจะคือความจริงทั้งสี่นี้มีกิจที่จะพึงปฏิบัติต่างๆกัน พระพุทธเจ้าสัต ส, สอนให้ทมปริญญาคือความรู้รอบขอบในทุกตรัสสอนให้ทำปารหานะ คือละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สั่งสอนให้ทรรมสัจิกรณะคือการกระทาให้แจ้งในนิโรธคือความดับทุกข์ตรัสสอนให้ทาภาวนาคือการปฏิบัติอบรมมักมีองค์แปด อันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นกิจที่จะพึงปฏิบัติน่้นในอริสัตย์ทั้งสี่จึงมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งปริญญารู้รอบขอบหรือกำหนดรู้จากทุก 2. ปหานะละสมุทัยเหตุในเกิดทุกสามสัจฉิกรณะกระทาให้แจ้งนิโรธความดับทุกข์และสี่ภาวนาการปฏิบัติอบรมธรรมมักมีองค์แปดให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมากิจในอริยสัจทั้งสี่จึงมีต่างกันเป็นสี่ดังนี้ แต่ว่าในการปฏิบัติอริสัตทั้งสี่ก็คือการปฏิบัติทมกิจในอริสัตทั้งสี่นี้ให้บังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนทุกคนนี่แหละให้ปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องต้น เรียกว่าเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาตั้งแต่ในเบื้องตอน้นก็ต้องเริ่มปฏิบัติในกิจในอริสัต์ทั้งสี่นี้ด้วยกันแต่ในการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นก็เรียกว่าต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อ ทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติต้องอาศัยปัญญาคือความที่ฟังอ่านคิดพินิตพิ จ, จารณาตลอดจนถึงปฏิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นตัวปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งสี่นี้พุทธศาสนกชนเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาดังแต่เบื้องแรก ก็ต้องอาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญาบังกล่าวนี้นำการปฏิบัติให้เป็นไปบางคนก็หนักทงางศรัทธาเรียกว่าสธานุสารี เล่นไปตามศรัทธาบางคนก็หนักทางปัญญาชอบใครครวนพิ จ, จรารณาเรียกว่าปัญญาอุสารีเล่นไปตามปัญญาศรัทธาและปัญญาทั้งสองนี้เป็นหลัก ซึ่งทุกๆคนอันที่จริงก็ต้องมีอยู่ด้วยกันทั้งศรัทธาและทั้งปัญญาก็อบเขาว่าสิ่งใดที่รู้เห็นได้ด้วยปัญญาของตัวเอง เธรรมะที่ทรงสั่งสอนเป็นเหตุผลขั้นต้นขั้นต่ำอันเป็นธรรมดาสามัญที่เจเพึงบังเกิดขึ้นในปัจจุบันตามองเห็นได้ในบัดนี้ ก็ไม่จำต้องอาศัยศรัทธาโพรได้ปัญญารู้เห็นได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าข้ออันใดที่ตนยังไม่อาจจะรู้เห็นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อ ในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็ไม่ใช่เชื่อเพียงอย่างเดียวก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจับเหตุจับผลอันเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจ คือรับเอาคำสั่งสอนมาไว้ในใจตั้งตนในใจใจที่จะฟังที่จะอ่านกำหนดจดจำนำมาคบเจาะคือพินิศให้มีความรู้ความเข้าใจลงความเห็นก็คือทำความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนี้ก็เรียกว่าอาศัยสถานำเพื่อจะได้ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปและแม้ว่าจะชอบทางปัญญาพินิษพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง แต่แม้เช่นนั้นสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวเองได้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ก็รับฟังคือใช้ศรัทธาเชื่อไว้ก่อนมังไม่ปฏิเสธและก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้ปัญญายิ่งยิ่งขึ้นสืบต่อไปดังนี้ ต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยปัญญาดังกล่าวแมในอริยสัจทั้งสี่นี้ก็เช่นเดียวกันหน้าที่ของภูฟังอริยสัจ ก็คือปฏิบัติในกิจของอริยสัจดังที่กล่าวมาแล้วอาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญาในการที่จะทำความกำหนดรู้จักทุกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรที่ตรัสว่าเป็นทุกข์ ก็ใช้ศรัทธาใช้ปัญญาประกอบกันเพื่อกําหนดรูปเพื่อทําความรู้รอบขอบว่าทุกจริงข้อนี้เป็นทุกจริงและเป็นทุกจริงอย่างนี้เป็นทุกจริงอย่างนี้